ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมีวิโตทินนางเปตานางอุปากปติอิจตังปทิตังตุมหังคิพเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนราสุยะธามณิโชติระสยยาธา โยมวิวานชันตุสาพารโกวินาสตุมาเตปภาวาวันตาไรโยสุขีทิทายุโกภาวะพิวานธนาสิลิสานิท จงวท่นาป้าจยจายินนจัดตาโรธามมาวันธาติอายุวันนสุขังบาลายัญจะโคดขินาดินานสังกามมีสุปฏิทิตาม ดิการตังหิตายาธานาโซุปกะปิเตธรโมจฌยังนิดาสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลัมาลังกาภิโคนามโนปดินัง ตุมเฮหิปุญญงปสุตังอนาปาการเทอายวัฏกาธานาวัสิริวัฏกายาสาวัฏกาภะลาวัฏกาวันณาวัฏกาสุขวัฏทักกโหตุสาภาทาทุก ท้าพยาเวลาโสกัสาตุจุปาทาวาอเนกะอันตรายยาปิวินาสานตุจเตสาสาสัยเาเสติทานังโสติภาขายังสุขังภาลังสิริอายุจาวัฏ โนจโ่าโพคังวุธิจายสวาสตวัตสาจอายุจจชิวสิทธิพาวันตุเตฟา ว, วัตุสาภาบางราคันตุสาภาเทวาตาสาภาพุทธ นูพาเวนัสธาสดีภาวนตูเตมภาวตุสาภามาณฆาลางราคันตูสาบวาตาสาภาธรรมะนูพาเวนัสธ า, าสดิภาวน ตูเตาวตุสัพพามังคะลางราคันตุสับวาตาสาพสังฆานุภาเวน ส, สัทโธทีภาวันตูเต